โยมพ่อหมอก็ได้ทําคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อมาก็ลูกเต้าเล้าล้านก็สืบทอดไปเรื่อยๆทั้งคุณโยมแม่ก็เหมือนกันสรุปแล้วก็คือได้ช่วยทางสาธารณสุขทางหมอทางพยาบาลทําคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติมามากต่อมากตอนนี้ไปก็เป็นบัาน ปลายของชีวิตก็ว่าได้ทุกคนก็คิดลักษณะอย่างนั้นเพราะว่าในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านก็เกิดแก่เจ็บตายพระพุทธองค์เองพระพุทธเจ้าของเราเองท่านเป็นผู้ท่งคุณค่าที่สุดไม่มีใครในโลกนี้จะท่งคุณค่ายิ่งกว่าพระพุทธเจา้าแต่ขนาดน่านพระพุทธองค์ก็ ต้องละสังขารต้องหนีจากร่างกายร่างกายของพระองค์ก็แตกสลายเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจะวิเศษวิโสจากไหนจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะนั้นก็ต้องเดินตามแนวแถวกันไปเรื่อยเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมาทสรุปแล้วให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้อย่างวันนี้ก็ยมพ่อหมอ ก็ได้มาทําบุญกับครูบาอาจารย์พระสงฆ์ทุกปีที่ผ่านมากับวันที่สิบหธันวาเนี่ยนะเป็นวันเกิดของโยมพ่อหมอสมัยก่อนก่อนลวงพ่อก็ไปนิมนต์พระสงฆ์ไปสวดพระพุทธมนต์แต่พอต่อมานี่ยคอย่างว่าโยมพ่อหมอทั้งลูกหลานก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายพอสมควรโยมลุงพ่อก็ชอบอย่างนี้แหละอยากจะทําบุญอะไรทําง่ายๆ ถ้าพอไปได้ก็ไปทำอย่าพอจะทำที่ไหนได้ก็ทำาต่ถ้ า, าว่าทำอะไรเรื่องยุ่งยากยุ่งเหยิงวุ่นวายกว่าจะเสร็จการเสร็จงานได้อายุกัดปุนนี้แล้วขนาดนี้แล้วมันไม่ใช่ธรรมดาต้อนรับแขกรับคนกว่าจะเสร็จงานได้เหนื่อยสรุปแล้วก็คืออยากจะทำบุญทั้งทีก็ทำให้มันจบๆไปซะทำง่ายๆเวลาได้อะไรมันก็ได้แบบง่ายๆ แต่ถ้าทําแบบยากๆเวลาได้อะไรมันก็ได้ยากในหลักของ <c oughs> ครูบาอาจารย์ทันวาอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นในการสร้างบุญสร้างกุศลในคราวนี้ก็นั่นแหะเป็นการลําลึกถึงชีวิตของเรายังมีชีวิตอยู่ทุกท่านก็นั่นแหะสังสมบุญกุศลเอาไว้ในเมื่อหมดบุญไปแล้วก็เอา้าจะว่ายังไงเกิดแก่เจ็บตาย แต่รหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าบอกแล้วย้ำแล้วย้ำอีกว่าคนตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกวิญญาณที่จะนำไปสู่ภพภูมิต่อไปภายภาคหน้านั้นมีอยู่ถ้าหากว่าพวกเราศึกษาในภาคปฏิบัติศึกษาในจิตตภาวนาศึกษาในเรื่องศินสมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเอาไว้แล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเอง เวลานั่งสมาธิจิตใจเข้าสู่ความสงบลงไปแล้วจะเห็นชัดด้วยตนเองว่าใจของเรานั้นไม่ตายแต่ร่างกายของเราทุกคนธาตุสีดินน้ำลมไฟที่ประชุมกันเป็นร่างกายนี่ยแตกสลายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่ส่วนจิตใจนั้นคือนามธรรมความนึกคิดนั้นตัวนั้นไม่ตายออกจากร่างนี้ก็ไปปฏิสนธิแล้วไปหาเกิดที่อื่นได้อีก เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสนใจศึกษาเรื่องจิตตภาวนาเนี่ยเรื่องจิตเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยมาในอันดับหนึ่งแต่ส่วนร่างกายนั้นเป็นอันดับสองรองจากวิญญาณคือใจเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงได้เสียสละออกจากเวียงวังไปอยู่ในป่าดงพงภัยถึงหปีไปศึกษาทดสอบอยู่ด้วยพระองค์เอง คือทดสอบเรื่องใจเนี่ยนะเรื่องนามธรรมนี่ศึกษาเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยทังหปีจึงได้ผลเป็นที่พึงพอใจออกมาในยุคสมัยนั้นจึงได้ประกาศเป็นพระธรรมคำสั่งสอนเผยแผ่ออกมาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้พบได้เจอได้เห็นเมื่อพระองค์ได้เผยแผ่ออกมาแล้วพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น เปรียบล้นไปด้วยเหตุและผลตรัสคําใดออกมาแล้วพร้อมด้วยเหตุผลอย่างพระพุทธเจ้าสั่งสอนพราวว่าญาติโยมอย่างเนี้ยให้ทานนะรักษาศีลภาวนาทําไมพระพุทธเจ้าถึงให้ทานคนที่มีความคับแคบจิตใจขี้ตัีถีเหนียวไปณัตสถานที่ใดไม่มีพี่มีน้องไปคบกับใครก็ไม่มีใครที่จะมาเกี่ยวข้องเพราะว่า ไม่มีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษยชาติเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงว่าให้เป็นผู้เสียสละให้เป็นผู้มีน้ำใจให้แบ่งปันไม่ใช่ให้ทั้งหมดให้รู้จักแบ่งปันให้รู้จักเสียสละให้รู้จักเก็บรู้จักใช้ให้รู้จักแบ่งปั น, กกปนถ้าคนรู้จักแบ่งรู้จักปันรู้จักเก็บแล้วนั่นละ่ะ มีพี่มีน้องมีลูกมีหลานมีวงสาคณนายาตเข้ามาเกี่ยวข้องคนมีฐานะคือการให้เสียสละการเสียสละมีหลายหลยอย่างการให้ความรู้แก่เขาบังการดูแลแนะนำสั่งสอนทางจิตวิญญาณของเขาบังการให้เข้าน้าโภชนาอาหารบังที่พักพ่าอาศัยบังการรักษาโรคโรคภัยไข้เจ็บของเขาบังล้วนแล้วจะเป็นฐานะคือการเสียสละ เป็นการให้ของเราเป็นการเสียสละของเราเป็นบุญกุศลจากนั้นกับศีระคือศีลคือรักษากายว่าใาของเราให้เรียบร้อยพระพุทธเจ้าก็สอนสำหรับคราวญาญาจงก็คือศีลห้าจากนั้นกับท่านก็สอนอีกเรื่องจิตภาวนาภาวนาให้ดูใจของตนเองความนึกคิดของเราเรามีความคิดอะไรแต่ละครั้งแต่ละวันแต่ละเวลา ความคิดนั้นถ้าคิดไปในทางที่ไม่ถูกคิดไปในทางที่โมโหโธโสก็นำความทุกข์เข้ามาสู่จิตใจถ้าสิ่งใดก็ตามในโลกนี้แต่จะให้ถูกใจของเราทุกอย่างเป็นไปไม่ได้พระพุทธองค์ตรัสว่าอย่างนั้นเพราะโลกนี้เป็นโลกอนิจจงใจของเราก็ยังไม่ถูกใจเราคนอื่นจะให้ถูกใจเราจะเป็นไปได้เหรือก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเมื่อไม่ถูกใจเรา เราจะทำยังไงพระพุทธองค์ท่านก็บอกให้ดูใจดูใจคือคือดูตัวนามธรรมาสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั่นนะ่ะคือตัวนึกคิดนั่นนะ่ะตัวนั่นแหละตัวใหญ่ทานตัวใหญ่ตัวเป็นหัวหน้าของเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าไปบาเพ็ญอยู่ในป่าก็ไปศึกษาเรื่องนี่แหละเรื่องนามธรรมาเรื่องใจตัวนี้นะเพราะนั้นท่านให้ดูใจก่อนที่จะดูใจได้จะทำยังไง พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้นั่งให้ทําสมาธิสมาธินั่นคือยังไงทํำยังไงจึงจะเป็นสมาธิได้พระพุทธเจ้ากว่าให้กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเอาสติให้จับลมหายใจก่อนเพราะว่าพระพุทธเจ้าวัวานที่ท่านได้ตัดสรู้ธรมท่านก็หันหันพระพักไปทางทิศตะวันออกกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละคือกรรมฐานที่จะทําจิตให้เป็นหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็นํา ที่ท่านได้ศึกษาท่านได้ปฏิบัติมาแล้วนะมาสอนพวกเราอีกทีหนึ่งอยากจะให้จิตสงบนั้นกนําหนดลมหายใจเข้าออกนะเพราะพระพองค์ท่านรู้แล้วท่านได้เห็นมาแล้วได้พบประสบการณ์โดยพระ อ, องค์เองก่อนแล้วจากนั้นท่านก็มาสอนสอนพวกเราท่านทั้งหลายให้กําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกหายใจออกสั้นออกยาวให้รู้ให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกนั้น ทีนี้ต่อมาอีกครูบาอาจารย์หลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นของพวกเราครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านบอกว่ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมันสั้นเกินไปมันสั้นเกินไปคล้ายๆกับว่ามันยังมันยังขาดช่วงอยู่มันยังจิตใจของเรายังบกแฟกยังลอดออกได้อยู่ท่านจึงให้บริกรรมสำทับเข้าไปอีกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถ หายใจเข้าพุทหายใจออกโถเพื่อให้มันมีอารมณ์ยึดอีกที่หนึ่งอีกเพื่อให้มันแน่นขึ้นให้มันมีหลักยึดเข้าไปอีกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถพุทโถพุทโถอันนี้พิธีการที่จะดูใจแล้วว่าดูความรู้สึกของเราทีนี้เมื่อมีสมาธิแล้วมีสมาธิดีแล้วเรานึกคิดเรื่องอะไรเราจะรู้ได้ใจเราคิดอะไรในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ช่วงนี้เราคิดโมโหโทโส เราคิดโลภเราคิดโกรธเราคิดไม่พอใจเราคิดน้อยใจเรื่องอะไรเราจะรู้ได้โดยตนเองเท่นี้เพราะนั้นเอาสมาธิเข้าจับใจของเราจากนั้นเราจะให้คิดเรื่องอะไรเราจะให้พิจนารณาเรื่องอะไรเราก็จะมีสมาธิอยู่ในใจของเราคิดอะไรก็เป็นเหตุเป็นผลสิ่งไหนที่มันคิดแล้วจะทําให้จิตใจวุ่นวายเราก็ปล่อยวางเทงซะเออ ไปคิดไปทำาไมเห็นในโลกนี้อีกนานเท่าไหร่โลกนี้ไม่ใช่ของเราคนเดียวโลกนี้เป็นโลกหลายคู่หลายคนเลรเราจะไปเอาถือว่าเป็นของเราได้เหรอโลกนี้เป็นอนันจังนะของไม่เที่ยงนะร่างกายของเราเนี่ยเห็นไหมแกขนาดนี้แล้วแต่ก่อนเราก็ปีนภูผาปา่าไม้ได้ไปที่ไหนได้วิ่งได้ทุกวันนี้เป็นยังไง เราอยากให้ทําอย่างนั้นมันก็ทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราพราะพระพุทธเจา้าตรัสว่าร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวตนของเราเนอะอีกสักวันหนึ่งบอกมาให้มันแก่มันก็แก่บอกมาให้มันเจ็บมันก็เจ็บบอกมาให้มันตายมันก็ตายเพราะนั่นใจของเราอย่ายไปลุ่มหลงมัวเมากับร่างกายนี้เกินไปเนอะให้รู้ว่าร่างกายนี่เป็นส่วนหนึ่งนะส่วนจิตใจนี่ส่วนหนึ่งมันบังคับไปได้ส่วนหนึ่ง เหมือนกับรถคนขับรถคนขับรถจะแข็งแรงขับดีขนาดไหนแต่รถมันแก่ลูกสูบมันก็ติดๆเข่าวงคาบิโออะไรกัอมันก็ไม่ดีหมอนงม่นานสายน้ำมงน้ํามันมันมีปัญหาคนจะขับฟีมือดีขนาดไหนก็ขับไปกรตุกตักตุกตตุกตตุตักอันนี้ก็เหมือนกันใจของเราจะมีสติสัมปชัญญะ ด, ดีขนาดไหนแต่ร่างกายของเรามันไม่ มันแก่เท่าชรามันเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันก็ไม่ไปตามบัญชาที่ใจต้องการเพราะฉนั้นจะทำยังไงได้ก็ต้องทำใจดูที่ใจเออเราใช้ได้ขนาดไหนเราก็ใช้ขนาดนั้นละ่ะถ้าหากว่ามันถึงจุดจบของมันก็อย่างที่องค์หลวงตาว่านั่นะเมื่อยังมีชีวิตอยู่ร่างกายยังแข็งแรงอยู่เอาข่าวน้ำโพชนะอาหารเอามาอยู่มากินเอามาใช้มาส้อย แต่ถ้าถึงข่าวจุดจบมันแล้วเหรออ๋อจุดจบแล้วเหรอเอาจุดจบแล้ว อ, อาตายถึงข่าวแล้วเหรอตายแล้วเหรอเอาตายก็ตายสิวะใครจะอยู่ได้โชกฟ้าดินสลายพอพูดถึงเจ้าพูอพ่อแม่ครูบาอาจารย์อปู่ย่าตายายของเราก็ตายมาพอแรงเราเราจะอยู่ค้ำฟ้าได้เหรอถึงข่าวเราก็ไปสิตายเหมือนกันอันนี้เราก็ต้องคิดทำใจอย่างนั้นแต่ถึงยังไงก่อนถึงวันนั้น สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้พอตายแล้วไม่สูนดวงวิญญาณจุดนั้นไม่สูนตายแล้วเกิดอีกเพราะนั้นเมื่อเราสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจแล้วบุญกุศลเข้าสู่จิตใจดวงวิญญาณดวงนั้นแล้วออกจากชาตินี้ไปแล้วเราก็เหมือนกับมีเงินติดกระเป๋าไปเราไปณนะสถานทิณใดที่ใด เราจะไปเกิดที่ใดบุญกุศลเป็นผู้เกื้อกูลห น, นุนพวกเราจะไปสบแต่ความสุขความเย็นใจไปเกิดที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขไปเลือกเกิดได้เหมือนกันถเถอไปเลือกเกิดได้ไปเรียนหนังสือหรือไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีที่ไหนก็ได้เพราะเหตุใดเพราะเรามีบุญนะแต่ถ้าว่าเราไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ถ้าเกิดภพหน้าชาติหน้าก็เหมือนกับคนไม่มีเงินนั่นนะไปที่ไหนก็ลําบาก เพราะพระพุทธเจ้าท่าก่อนที่จะถึงจุดจบนั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเอาไว้ถ้ามีบุญกุศลเข้าสู่จิตใจแล้วไปณสถานที่ใดทินใดมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขอย่างพระพุทธเจ้าพระหานสาวกอันนั้นท่านทำสุดเป็นมหาเศรษฐียิ่งกว่ามหาเศรษฐีเสียอีกเพราะท่านชําระ ใจของพระ อ, องค์ให้บริสุทธิ์สะอาดไม่มีกิเลสไม่มีเชื้อราคะโทสะโมหะอยู่ในใจิตใจแม้แต่น้อยหนึ่งจิตใจใสสะอาดออกจากภบนี้ชาตินี้ไปแล้วก็มีแต่บรมสุขนิพพานังปรบังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งพอท่านชําระใจของท่านแล้วเพราะนั้นพวกเราถึงไม่ถึงขนาดนั้นนะ ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงกับขั้นบริสุทธิ์แต่ให้พวกเรามีบุญมีกุศลติดตัวของเราไปเหมือนกับพวกเราไม่ได้มีรถมีลามีเครื่องบินไปแต่พวกเราเดินทางไปก็ให้มีความสุขตามอัตภาพมีรองเท้าใช้ถ้ามันหนาวก็มีเสื้อกันหนาวมีหมวกไมพรมมีผ้าห่มมียาในกระเป๋ามีเป๊มีเงินในกระเป๋า เดินทางไปก็พวกเราก็จะประสบความสงบสงบสุขมีความสุขตามอัตภาพในการเดินทางไม่ใช่เหรอถ้าว่าพวกเราไม่ได้เตรียมสิ่งของไม่มีบุญไม่มีกุศลไม่มีเครื่องทัพผสมพระอำนวยความสะดวกไปที่ไหนมีแต่กางเกงในตัวเดียวเดินไปทั้งแดดทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งหิวกระหายก็ไม่มีอะไรจะซื้อกินในการเดินทาง อันนั้นแปลว่าเป็นผู้ไม่มีบุญนะเพราะนั้นพวกเราควรจะสั่งสมบุญติดตัวไปด้วยถ้าเราไปณนะสถานที่ใดเดินทางไปสู่มรรคผลนิพพานพวกเราก็จะประสบแต่ความออสุขกายสบายใจในการเดินทางตามอัตภ า, ภาพเพราะงั้นแต่กระทั้ ง, ออ ม, างมาดา้จะให้ความสุขเหมือนกับบรมสุขอย่างที่ท่านถึงที่แล้วนะันคงจะไม่ถึงขนาดนั้น ท่านถึงที่แล้วก็คืออำนวยความสะดวกทั้งหมดนิพพานังประมังสุขขังแต่พวกเรายังไม่ถึงขนาดนั้นก่อในการเดินทางนั้นก็ต้องธรรมดาล้มลุกคุกคลานแต่ถึงยังไงถ้าหากว่ามีเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินทางของพวกเราอยู่พวกเราก็จะมีความสุขตามอัตภาพในการเดินทางนั้นเพราะนั้นพวกเราเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสาร ไม่ควรประมาทควรสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเรานะนี่แหละอย่างวันนี้โยมพ่อหมอกับพี่น้องลูกหลานในครอบครัวได้มาทำบุญในพระพุทธศาสนาก็เป็นบุญเป็นกุศลในจิตในใจของพวกเราต่อไปก็นี่แหละหลวงพ่ออยากจะขอโยมพ่อหมอโยมแม่โยมป้าทั้งหลาย ลูกหลานน้องนุ่งทั้งหลายก่อนหลับก่อนนอนก็ให้ไหว้พระสวดมนต์ซะก่อนจากนั้นก็นั่งภาวนาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดพระพุทธเจ้าท่านพาปฏิบัติยังไงกําหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโทพุทธโททาใจให้สบายอันนี้แหละเป็นบุญเป็นกุศลมหากุศลอันยิ่งใหญ่ก่อนหลับก่อนนอนเวลานอนกันนึกพุทโทพุทธโทจนหลับทําใจให้สบายทําใจให้นิ่ง เป็นบุญเป็นกุศลทางว่าพวกเรามีปัญหาอะไรในอนาคตมีเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายมีเรื่องพุก อ, อกทุกใจแล้วก่อนวิ่งเข้ามาหาพุโทโธพุโทโธปล่อยวางทั้งหมดใจของเราก็จะได้รับความสงบเมื่อท่านว่าท่าว่าคนภาวนาพุโทโธพุโทโธเนะี่ยไม่คิดไปทางอื่นนะจิตใจนิ่งจิตใจสงบใจขาดในขณะที่เราภาวนาอยู่ไปสู่พรมนะท่ามวานะ ไปสู่พรหมโลกได้ง่ายๆพราจิตใจสงบนะแต่ถ้าเราละลึกถึงทาน ล, ละลึกถึงศีลเ อ, อ่อผู้ฆ่าได้ทาบุญทำทานได้ช่วยสงเคราะห์อนุอเคราะห์เพื่อนมนุษย์ชาติได้ทาบุญไวในพระพุทธศาสนาก่อนที่จะใจจะขาดละลึกถึงบุญกุศลที่เราได้ทำเอาไว้นะอันนี้กับเวลาใจขาดปุ๊บไปสู่สวรรคนะ์แต่ถ้าว่าพวกเราก่อนที่ใจจะขาดละลึกถึงแต่โมโหโทโสโกธา เโกรเครียดมิตรระลึกถึงแต่ความชั่วที่พวกเราเ อ, อได้ทำเพราะไม่ได้ทําคุณงามความดีตายไปแล้วก็นั้นแหละเป็นคติที่ไม่แน่นอนบางทีอาจจะไปตกนรกไปเป็นสัตว์ตื้นชานอะไรหลายๆอย่างเพราะนั้นคติของวิญญาณพระพุทธเจา้าท่านบอกว่าลุ่มลุ่มรอนรอนสูงสู ง, สงต่ำต่ำพระพุทธเจ้าเคยเป็นช้างม้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่กับนับไม่ถ้วน เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็นับไป่ถ้วนเป็นกษัตริย์ราชามหากษัตริย์ก็นับไป่ถ้วนเป็นพระอินทร์พระพรก็นับไม่ถ้ว น, น, น, ว น, น, น, น, วนตั้งสูงสูงต่ำต่ำนั่นวิญญาณนั่นเอเพราะนั้นท่านว่าให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้เนออย่าประมาทถ้าคนมีบุญกุศลแล้วพวกท่านเหล่านั้นจะไปสู่สุขติมีแต่ความสุขความเย็นใจนะนะต่อเ น, นี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรแล้วก็พร้อมการกับตุ้นส่วนกุศล ถึงผู้มีพระคุณสำหรับพวกเราทุกๆ ท, ท่านด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโยมพ่อหมอวันทำบุญวันเกิดขณะสงจ์จะอนุโมทนาให้พรวันเกิดวันนี้